เอาเรื่องเลยนะครับครับ <Regierung> บิสมิลลาฮิ ا ل ح م د لله ن ح م د و ع ن و ا ل س و ن ا ل ل ه من ش ر ف ن ومن س ي ا ع م ل ما ه له ف م د ل ه وما د ر ن فلا ه له บรสับอัลลอฮ์เรละเซยินาแะฮับบบินมุฮัมมัดอลลอฮรวันนี้เราก็จะมาพูดค ah uh. ุย <implications> กันในวิชาตักซีดนะครับผมซึ่งครั้งนี้ก็จะต่อในสร้อลีคลสอัลคลสที่ว่าเรามักจะเรียกกันว่าคุณฮูคุฮูคุณฮอัลลอฮอะฮัด ครับจะเป็น อ, องค์การบทที่หนึ่ง้สิบสองนะครับผมหนึ่งสองครับหนึ่งสองหน้าสิบห้าครับผมจากเอกสารเป็นหน้าที่าครับได้นะครับผมเรียนตับซีฟแล้วก็บรารกาจากกุรอานนะครับเดี๋ยวรอบนี้เราอ่านอัลกุรอาน พร้อมกันดีไหมครับผมอ่านสรคลาสนพร้อมกันนะครับผมไม่ไม่อ่านนแล้วนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับผมอูุบิเลมินอัชาฏานอัลราชบิสมิลลาฮิรราะห์มานราะมุลุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุซมดมยลิดวะมยูลด วันแล้วจะก็ ه ่ ك ُ ف ُคุฟุอ ح َอัครั บ, บพระกลุณาี่คุณครับผมสุราที่เราจะมาทำการพูดคุยกันในวันนี้เป็นสูราที่ยิ่งใหญ่อีกสูราหนึ่งนะครับพี่อัลกุรอานที่มาที่ไปนะครับเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทำไมอัลลอฮ์ถึงได้ประทานสุรานี้ลงมามีครั้งหนึ่งครับมีชาวอาหรับ สายลายงานจะมีความแตกต่างกันบ้างก็ว่าคนที่มา เ, เป็นอาหรับชนบทบ้างก็ว่าเป็นชาวกูร์เรสที่ว่าเป็นมุชลิมเลยซึ่งก็เป็นไปได้ว่าก็เป็นมุสลิมที่เป็นอาหรับชนบทได้มาหาท่านอบีโมฮัมมัดสลาลลอห์ให้สลับแล้วก็บอกยาสุรุลละยาโมฮัมหมัดขอริวยยาโมฮัมมั ด, มมมดช่วยบอกเชื้อสายพระเจ้าของเจ้าให้เราฟังหน่อย เพราะว่าคนในยุคก่อนครับก็อย่างที่เรารู้ก็คือพระเจ้าก็จะมีพ่อของพระเจ้าก็จะมีลูกของพระเจ้าก็จะมีอะไรซึ่งคนอาลับเขาก็จะถือเรื่องของเชื้อสายคือถ้าเกิดเขาเจอใครแปลกๆไม่คุ้นหน้าเขาไปถามว่าพ่อเป็นใครปู่เป็นใครเพ่ออาลับจะเรียกด้วยกับชื่อพ่อชื่อปู่ชื่อทวดก็คือแต่ละเผ่าเนี่ยจะรู้เลยว่าใครมาจากสายไหนก็เนี่ยมีคนอาลับมาหาท่าน บ, บีอัสสันบัตก็ถามบอกว่าชื่อบอกหน่อยบอกเชื้อสายของพอัลลอฮ์หน่อยเขาจะได้รู้ว่าอัลลอฮ์มาอย่างไง พอ้อละก็ได้ประทานสุรานี้ลงมาซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้จักอลัลลอฮ์ถ้าเกิดว่ามีคนต่างศาสนิกมาหาเรานะครับเราบอกว่าช่วยอธิบายให้หน่อยว่าอาลัลลอฮ์เป็นยังไงสุรานี้สุร่าเดียวพอเลยครบเลยสุรานี้สุร่าเดียวอธิบายเกี่ยวกับอลัลลอฮ์ได้อย่างครบถ้วนเป็นคุณลักษณะของอลัลลอฮ์ที่ไม่เหมือนกับทุกศาสนาบนโลกเลย สุดท้ี Allah เ่มด้วยคว่าอะไรครับหลังจากที่เราอ่าน b a h n บอกว่ากุลวละหัว אחד เขามาถามเจ้าใช่ไหมจงบอกเขาไปกุนก็คือจงบอกจงพูดบอกให้เขารู้ไปซะมฮัมมัดวลพระองค์องค์นั้นพร อ, ง, อ ง, พงมีเพียงองค์เดียวพระองค์มีเพียงองค์เดียวก็คือสาหรับนุสติมแล้วพระเจ้า มีเพียงองค์เดียวฉะนั้นก็คืออัลลอฮ์ซึ่งเป็นชื่อที่ว่าชาวกุลิศจริงๆเขาก็รู้จักดีอยู่แล้วแต่ว่าคือพ่อมาถามมาบีเพราะธรรมะที่คำสอนของมับีไม่เหมือนกับแบบอย่างที่ชาวกุลรศทำมาตั้งนานคือไม่เหมือนที่แบบพ่อของพ่อบัมพารุษเชื้อสายธรรมมาธรรมมันแตกต่างกันศา ส, สนาของมอมมัธธรรมมันแตกต่างก็เลยอยากรู้ว่าอัลลอฮ์ที่มุสลิมกราบไหว้เนี่ยเหมือนกันไหมแล้วก็อยากรู้เชื้อสาย อัลลอฮ์ก็เลยบอกบอกให้รู้ประกาศให้รู้ไปเลยว่าพระเจ้านั้นมีเพียงองค์เดียวก็คืออัลลอฮ์อัลลอฮุสซาตัตอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นที่พึ่งหมายความว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าที่ไม่ได้ต้องการการบวงสวงอะไรเลยคือไม่ต้องเอาอาหารไปถวายไม่ต้องไปมีพิธีกรรมไม่ต้องไปแบบว่าเป็นแลกเปลี่ยนเอาอะไรให้แล้วคืถึงได้ได้ตอบแทนอัลลอฮ์สามารก็แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเนี่ยต้องพึ่งพาอัลลอฮ์แต่อัลลอ ไม่ต้องพุ่ง่าอะไรเลยอัลลอฮุ Allah สซาลามะอะลล์นั้นเป็นที่พึ่งลำยาลิดวะลำยุ่แหละลำยาลิศแปลว่าอัลลอ์นั้นไม่ให้กำเนิดใครไม่มีใครเป็นลูกกับวะเพราะว่าสิ่งใดก็ตามที่ให้กำเนิดสิ่งอื่นแปลว่าสิ่งนั้นต้องมีจุดจบถูกไหมครับการให้กำเนิดเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความไม่สมบูรณ์ของชีวิต แล้วชีวิตต้องรักษาเซเชื้อสายเอาไว้ก่อนที่ตัวเองจะตายก็ต้องมีลูกมีหลานเพื่อสืบท่อดต่อไปเรื่อยๆแต่เมื่ออัลลอฮ์บอกว่าลำยาดิตอัลลอฮ์นั้นไม่ได้คลอดใครออกมาไม่มีใครที่เป็นลูกของพระองค์เพราะว่าอัลลอฮ์นั้นไม่มีจุดเริ่มต้นแล้วก็ไม่มีจุดจบลำยาดีนี่นคือไม่ได้คลอดใครคืออัลลอฮ์นั้นไม่มีจุดจบว่าลำยูรัสแล้วอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ถูกบังเกิดมาไม่ได้ถูกคลอดมาจากใครก็คือเพวาอัลลอฮ์นั้นไม่มีจุดเริ่มต้น ลัมยาดิสวละลัมยูรัสไม่มีจุดจบไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีใครเป็นลูกของอัลลอฮ์ไม่มีใครสามารถอ้างได้ว่าจะเป็นลูกของอัลลอฮ์เหมือนก้าเกิดว่าบางศาสนาอย่างที่เกิดศาสนาคริสเตียนความเชื่อของพวกเขาก็คือพระเยซูปเป็นลูกของพระเจ้าของยูรก็มีความเชื่อว่าอูเซสเป็นลูกของพระเจ้าอูเซสเป็นคนที่ว่านําเอาคำพีที่สาบสูญไปในยุค ข, ของยูรที่ว่าหายไปนานแล้วเอามาให้ชาวยูรชาวยูรก็เลยนับถือว่าเป็นลูกของอัลลอฮ์ แล้วก็มีอีกหลายความเชื่อที่เชื่อว่าพระเจ้ามีลูกแม้แต่ชาวกูเรชเองความเชื่อของชาวกูเรชเขาเชื่อในอัลลอฮ์ใช่ไหมครับแต่เขาก็คิดว่าบรรดามาลายแกเนี่ยเป็นลูกสาวของอัลลอฮ์อีกทีนึงคืออัลลอฮ์มีลูกสาวแล้วก็คือมาลายแกทั้งหลายแล้วก็เป็นเทวรูปอีกหลายรูปที่พวกเขาแกบลบไหว้เขาก็มีความเชื่อที่ผสมกันบางกลุ่มก็บอกว่าพระเจ้าต่างหากเป็นสื่อขอไปหาอัลลอฮ์อีกทีนึงแต่บางส่วนก็เชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้าเลย อย่างลานอย่างอุจาอย่างมานาสบางคนก็บอกเนีย่ยเป็นพระเจ้าผู้หญิงไปเลยซึ่งอาย่านี้ก็ประทานมาปุ๊บก็เคลียเลยลัมยาดิตวะลัมยูรัตวะลัมยากุลละหูกุฟูวันอาหัดแล้วก็ไม่ต้องไปจินตนาการถึงอรรถเด็ดขาดเพราะว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีสิ่งใดเลยที่เหมือนพระองค์คือจะทํารูปเหมือนหรือเป็นไปไม่ได้ไม่มีเลยเหมือนพระองค์ แล้วการที่ไม่มีอะไรเหมือนพระองค์อ่ะไม่ใช่แค่ในเรื่องของคุณลักษณะแต่ว่าทุกอย่างเลยไม่มีใครเมตตาเหมือนกับที่พระองค์เมตตาไม่มีใครเป็นผู้ให้เหมือนกับที่พองค์เป็นผู้ให้ไม่มีใครเป็นผู้สร้า ง, ง, างเหมือนกับที่พรองค์เป็นผู้สร้างอย่างแท้จริงคือพวกเราเราอาจจะเหมือนกับเราสร้างอะไรก็ตามแต่แต่ทั้งหมดนั้นมันมาวัดมาจากวัตถุดิบของร้อหมดเลยเราไม่ได้เป็นผู้สร้างอะไรสักอย่างเราถูกสร้างมาต่างหากซึ่ง อีคลาสเนี่ยครับสุรักุลหรือว่าบลอาฮัตเนี่ยความประเสริฐมีมากมายความประเสริฐมีมากมายมีครั้งหนึ่งครับในอันนี้ในเบธธื้องข่ายแบุคลาธที่ว่าท่านบีมัสลอนฮวงอาเลสลาฟเนี่ยได้ส่งกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ว่าไปสอดแนมเก็บข้อมูลทางการทหารเรียกว่าสารีะตอนที่ส่งไปเนี่ยครับก็มีอีห ม, มั่นตอนช่วงที่เดินทางไปเนี่ยอีหมั่นท่านนี้เวลาจะอ่าน นำละหมาดใช่ไหมครับท่านอ่านสุระอะไรก็ตามท่านก็จะปิดท้ายด้วยกับสุรอิคลัสคือสมมุติท่านอ่านสุรฟาติฮะแล้วท่านอาจจะอ่านตะพัเจราบีและพิวตะพ์พออ่านจบปุ๊บท่านจะอ่านหุ่นลหวลวะฮัดจนจบปิดท้ายเสมอปิดท้ายบ่อยๆบๆบยๆมากๆครับพอถึงเวลาพอกลับมากลุ่มนี้กลับมาหาท่านอับปุ๊ฮ ที่เป็นม้ามุมก็รู้สึกไม่สบายใจควรทูลสลามอัลตุลอัมบัลกัสต์ครับคนที่เป็นม้ามุมก็รู้สึกไม่สบายใจว่าเอ๊ะทาไมอิหม่ามถึงอ่านแบบนี้มันใช้ได้ไหมมันถูกต้องไหมมันดีไหมก็เลยไปถามท่านอบีท่านอบีมัสลลลอสลามก็บอกว่าให้ถามเขาว่าทําไมเขาถึงอ่านแบบนี้คือทำไมอ่านฟาติฮะแล้วก็อ่านซุรออะไรก็ตามแต่แต่ต้องปิดด้วยกับซุรออะลีคลาสเพราะเหตุผลใด เพราะว่าเรื่องของการละหมาดนะครับเลาบอกไว้ ช, ชัดเจนว่าฟักกราอูมาเตยสลอร์มินคืออ่านอะไรก็ได้ที่มันง่ายสําหรับเราฟาติฮานี่จําเป็นอยู่ละฟาตีฮานี่จําเป็นต้องอ่านตอนละหมาดแต่หลังจากอ่านฟาติฮัสเสร็จแล้วใครอยากจะอ่านอะไรก็อ่านบางท่านอาจจะอาจจะอ่านแค่อายะคุรซีอายะเดียวอัลลอฮุลเลาฮิ อ, อิละวะละเวลาให้ไปอ่านจนจบแค่อายะเดียวได้ไหมได้ดบางท่านอาจารย์านสลอร์ยาวบางท่านอาจารย์านสลอร์สั้น แต่ซาบะท่านยังไม่เคยเจอใครที่แบบว่าลงทายด้วยกับอีคลาสท่านน บ, บีก็บอกไปถามเขาว่าทําไมเขาทําอย่างนี้พอคนในกลุ่มเนี่ยไปถามอีหมามว่าทําไมอีหมามทําแบบนี้อีหมามก็บอกว่าเพราะผมรักซูร้อนนี้ผมรักซูร้อนนี้ท่านน บ, บีว่าสโลล์สลัมบอกว่าไงครับหลังจากที่กลุ่มนี้กลับมาบอกน บ, บีน บ, บีก็บอกว่าให้ไปบอกเขาให้ไปบอกอีหมามว่าเจ้าของซูร้อนนี้ก็รักเขา เขารักสุลตานี้ใช่ไหมเจ้าของสุลต์คือใครครับอัลลอฮ์เจ้าของคําพูดก็คืออัลลอฮ์เขารักอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็รักเขานี่อีกสายรายงานบอกว่าไงครับอีกหนึ่งสายรายงานท่านนบีระบุไว้ชัดเจนเลยว่าและด้วยเหตุผลที่เขารักอิกคลาสรักกุรอานเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่จะทําให้เขาได้เข้าสวรรค์คือใครก็ตามที่รักกุรอานคนที่ว่าเป็นชาวกุรอานอัลลอฮ์รักเขาอยู่แล้วสุลต์อะไรก็ได้ ขอให้เรารักจริงๆด้วยกับความเป็นเหตุเป็นผลอย่างซาบานท่านนี้ท่านบอกว่าอะไรครับเพราะสุร้อนนี้อธิบายเกี่ยวกับอัลลอฮ์แล้วฉันก็รักเพราะอธิบายถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์ฉันก็เลยรักมีอีกสายรายงานหนึ่งครับมีซาบ้าน ท, ท่านหนึ่งที่ว่าเวลาท่านละหมาดยามค่ําคืนยามละหมาดยามค่ําคืนท่านละหมาดแล้วท่านอ่านสุร อ, อีคลาสวนแล้ววนอีกวนแล้ววนอี ก, ลอ ก, อกหลายรอบมากๆเลยอ่านหลายรอบ ซาบะท่านอื่นก็แปลกใจทําไมถึงอ่านแต่สรอนนี้แล้วก็เลยไปปรึกษาท่านนาบีคือจริงๆสุระอนบท ย, ยาวก็มีอย่างบักกร้อนยาวแบบไม่ต้องห่วงเลยอ่านกันสองชั่วโมงไม่จบแต่ซาบะที่นี้วนอิคลาสวนแล้ววนอีกก็เลยไปถามนาบีท่านนาบีวั ส, วสลัมบอกว่าไงครับแท้จริงอัลอิคลัสนั้นเทียบเท่าหนึ่งในสามของกุรอานเทียบเท่าหนึ่งในสามของอัลกุรอานซึ่ง คำว่าเทียบเท่า1ใน3ในที่นี้ว ah, ah, อลลอว่าลัมครอบคลุมทั้งหมด2ความหมายความหมายแรกก็คือผลบุญผู้ใดก็ตามที่อ่านซ ah ุรั่ยอิคลาสอินชาลอเขาจะได้ผลบุญเทียบเท่าการอ่านอัลกุรอานหนใน3เล่มก็คือ10ยูสได้ผลบุญเทียบเท่าแต่ไม่ใช่เท่ากับอ่าน10ยูสนะครับไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันคือการการอ่าน10ยูสเนี่ยจะได้บารากาอย่างอื่นเสริมเข้ามา แต่ถ้าพูดถึงผลบุญในการอ่านอักขรในการอ่านการอ่านสุระย์อิคาสเทียบเท่าการอ่านหนึ่งในสามของกุรานเพราะฉะนั้นคงไม่มีใครหัวหมอนะครับ hmm. นักศึกษาหลายคนชอบหัวหมอนงั้นอ่านอิคารัสสามจบเท่ากับอ่านกุรานหนึ่งเล่มหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยว <c oughs> อันนั้นหัวเพราว่าหัวหมอนจะมาให้ถูกนะครับ <c oughs> ถ้ากับเมืองนี้เขาจะอู้แหงกว่านี้หน่อยไหมครับ เมื่อกี้ที่บอกว่าคำว่าเทียบเท่าหนึ่งในสามมีสองความหมายความหมายแรกก็คือผลบุญเทียบเท่าหนึ่งในสาก็คืออ่านสุร้อนนี้สุร้อนเดียวได้ในสิบยุสถ้าใครอยากได้ผลบุญง่ายๆก็อ่านสุรอ้อนไอคลาสเป็นประจำอย่างเรารู้ความหมายเดี๋ยวเราจะมาย้ําเรื่องความหมายกันวันนี้ให้ได้ไปเปีแล้วถึงเวลาทุกครั้งที่อ่านจะได้ความหมายอันที่สองครับอัลกุรอานคัมภีร์ของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ที่นักวิชาการนักอธิบายกุรอาน มาอธิบายไว้ก็คือว่าเนื้อหาสาระในคัมภีร์อัลกุรอานจะพูดถึงทั้งหมด3เรื่องทั้งหมดที่มีในกรุรอาน1นึ่งร้อยสิบทั้งหมดจะครอบคลุมใน3าหัวข้อหัวข้อแรกก็คือพูดเกี่ยวกับเรื่องของการศรัทธาหัวข้อที่2พูดถึงเรื่องการปฏิบัติก็คือฟิกหัวข้อที่3พูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์ ก็คือหลักๆในกุรอานทั้งหมดจะมีแค่นี้แหละถ้าเกิดจะแบ่งจัดหมวดยันจะมีแค่สามอันนี้แหละส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศรัทธาเน้นการศรัทธาส่วนที่เน้นในเรื่องของการปฏิบัติเช่นการละหมาดการทําน้ําละหมาดแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เช่บน uf, บนุตรนบียูซุฟบุตรนบีบรอฮิมกับนบีอีกหลายหลท่านที่อยู่ในกามีกุรอานซึ่งสุร์อิคลาสเป็นสุร์ที่สรุปสาระในเรื่องของการศรัทธาจะเป็นมุสลิมที่ถูกต้อง การที S <S <an> ่ค <S an> ุณศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต้องศรัทธาตามที่สุรุลอิคลาสบอกเท่านั้นเชื่อนอกเหนือจากนี้คือบอกว่าปฏิเสธส่วนหนึ่งส่วนใดของอัคริอัลลีคลาสถือว่าการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ผิดทันทีก็คือไม่สลิต้องเชื่อว่าอะไรครับอัลลอฮ์มีเพียงองค์เดียวแล้วต้องไม่มีความสงสัยในใจเลยว่าอัลลอฮ์นั้นมีเพียงองค์เดียวฉะนั้นไม่มีใครสร้างพระองค์พระองค์ไม่ถูกสร้างไม่มีใครจําเป็นต้องช่วยพระองค์บางคนอาจจะถาม เอะแต่อัลลอฮ์ก็มีคนช่วยไม่ใช่เลยอัลลอฮ์มีผู้ช่วยไหมครับอ่าอย่างนั้นเกณฑ์มีคนถามแล้วใครบันที่ความดีความชื่วครับใครบันทึ่ความดีความชื่อมาลัยแกอ่าแล้วก็ใครที่ว่าเป็นคนเก็บวิญญาณคนตาย ม, มาริกกมาลายแกใครเป็นคนดูแลโลกมนุษย์ เ, เราสร้างมนุษย์มาให้ดูแลโลกให้ปกครองโลกงั้นถ้าเกิดมีคนถามอ้าวไหนว่าเราไม่มีคนช่วยก็คนช่วยมีเต็มเลยนี่ใครตอบได้มั่งครับจะตอบว่ายงไงครับอ่ะสะจั์ไปเลย ย, ยังไงนะครั บ, รบครั บ, รบคือผมมองว่าเราต้องแยกให้ออกระหว่างคำสองคำมี กับจำเป็นต้องมีไม่เหมือนกันคือพวกเอล้อไม่จําเป็นต้องมีผู้ช่วยพวกเอล้อสามารถบริหารดูแลทุกอย่างด้วยตัวพระค์เองได้แต่การที่พวกเอล้อสร้างคนมารับหน้าที่แต่ละอย่างอันนั้นเป็นสิทธิ์ของพระค์ในการที่จะสร้างผู้ที่องทรงประสงค์เหมือนกับที่เอล้อบอกเอล้อให้อํานาจแก่ผู้ที่องทรงประสงค์แล้วเอล้อก็แกช้งแฉกอำนาจคืนมาจากผู้ที่องทรงประสงค์อํานาจเบ็ดเสร็จแท้จริงอยู่ที่เอล้อ ก็แปลว่าจริงอยู่แล้วเหมือนกับเราจะเป็นผู้ช่วยเหลือเหมือนกับคนทํางานศาสนาบางครั้งเราเข้าใจผิดบางครั้งคนทํางานศาสนาเราเข้าใจผิดบางคนอาจจะบอกว่าเ네นี่ยถ้าเราไม่ช่วยกันฟื้นฟูอิสลามถ้าเราไม่ช่วยกันสอนอิสลามอิสลามจะสาบสูญไปเราต้องช่วยเราต้องช่วยกันอันนี้พูดผิดเอาละไม่จําเป็นต้องพึ่งเราในการรักษาอิสลามอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนคือคนทํางานศาสนาทุกคนนะครับ ถ้าอัลลอ์ให้เราทุกคนตายไปหมดไม่ใช่หมายความว่าอิสลามจะหายอัลลอ์สามารถรักษาศาสนานี้ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเราเพียงแต่เพียงแต่เราหวังว่าอัลลอ์จะให้เราเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับใช้ศาสนานของพระ อ, องค์คือเหมือนกับว่าเนี่ยมีตำแหน่งว่างพอเราจะเอาใครมาอยู่ตำแหน่งนี้ก็ได้ แต่ใครก็ตามที่อยู่ตำแหน่งนี้อลัลลอฮฺจะรักเขาเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาทำงานศาสนาเนี่ยเหมือนกับเราอยากจะมารับตำแหน่งนี้เพื่อให้อลัลลอรักเราซึ่งถ้าเราไม่ทำตำแหน่งนี้อลัลลอฮฺก็จะเอาคนอื่นมาแทนเราอยู่ดีแต่มันจะกลายเป็นว่าเราขาดทุนถูกไหมครับเราพลาดไปเหมือนกับมีตำแหน่งที่ว่ามีเงินเดือนเป็นล้าน่ะใครเห็นใครก็ต้องอยากสมัครคนรับสมัครเขารับใครก็ได้ แต่ส่วนตัวเราเราอยากรับเพราะเรายได้เงินล้านอันนี้ก็เหมือนกันครับการทำงานศา ส, สนาของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอ์ไม่จําเป็นต้องพึ่งเราเพราะพันสี่ร้อยปีที่ผ่านมาเรายังไม่เกิด <c oughs> นับตั้งแต่ยุคท่านาบีเราก็ไม่เกิดอิสลามก็อยู่มาจนถึงตอนนี้แล้วก็อิสลามสูงส่งและไม่มีทางที่จะถูกทำให้ต่ำต้อยสิ่งที่ต่ำต้อยคือมุสลิมทำตัวเองให้ต่าต้อยแต่อิสลามศาสนาของอัลลอฮ์สูงส่งเสมอ เหมือนกับที่ท่านอุมัดพูดไว้ะครับท่านอุมัดบินคาตอปได้บอกว่าศัตธรรมไม่มีทางที่จะแพ้ศัจธรรมไม่มีทางที่จะแพ้สิ่งที่หลงผิดเด็ดขาดแต่เมื่อไหร่ที่เราพบว่าเหมือนกับสัตธรรมนั้นแพ้ขอให้รู้ว่านั่นยังไม่ใช่จุดจบที่แท้จริงเพราะถ้าจุดจบที่แท้จริงสัตธรรมต้องชนะสัตธรรมต้องชนะศา ส, สนาของอเราต้องชนะเหมือนกับที่อัลลอฮ์พูด บอกแล้วก็ที่ท่านรบียัสโตรอยส์รำสอนให้เรารู้เกี่ยวกับสัญญาณมัสิ้นโลกใช่ไหมครับท่านรบีจะบอกให้เรารู้ว่าช่วงใกล้วันสิ้นโลกเนี่ยมุสลิมจะโดนลุมกินโต๊ะแล้วเราจะถูกไล่ฆ่าแล้วก็จะเกิดสงครามที่ว่ามีกี่ครั้งมุสลิมแพ้ตลอดเลยอันนี้ท่านรบีบอกให้เรารู้ก่อนจะมีสงครามที่แบบมีเมื่อไหร่ก็คือมุสลิมก็แพ้แพ้แพ้แพ้แพ้แพ้แพ้เพราะอะไรครับเพราะมุสลิมไม่รวมตัวกันเห็นด้วยไหมครับอย่างปัจจุบันเนี่ย แต่และประเทศเริ่มระสัมระสายล้ประเทศเศียรเออราเบีย ก, ก็เริ่มแล้วทางเยเมนก็เริ่มแล้วแล้วก็ปาเลสไตน์ไม่ต้องพูดถึงโดนมานานแล้วเซียเ อ, ออิรักเออิแต่และที่โดนทุกที่ซึ่งมุสลิมเป็นชนหมู่มากแต่กลับโดนทําลายเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้รวมเป็นปึกแผ่นเดียวกันภายใต้คําสอนที่ถูกต้องสิ่งที่ต้องย้ํานะครับมุสลิมไม่มีทางจะรวมกันได้ถ้าเรา ความเชื่อต่างกันเพราะถ้าจุดเริ่มต้นมันต่างกันมารวมกันไม่ได้จุดเริ่มต้นมันต้องชัดเจนอย่างสไลอ์คลาสเนี่ยมันต้องเริ่มด้วยกับสไลอ์คลาสื่องกับสิ่งที่ชัดเจนซึ่งท่านอับดุลเบียร์มัสสัลัมบอกว่าสงครามที่แพ้แล้วแพ้อีกแพ้แล้วแพ้อีกเนี่ยมุสลิมจะชนะก็ต่อเมื่อมุสลิมมารวมตัวกันภายใต้การปกครองภายใต้การนำของอิหม่า ม, มาดัดีก็คือมุสลิมเรารออิหม่า ม, มาดีอยู่ที่จะมาช่วงสงครามโลกแล้วก็จะมา เป็นผู้กอบกู้แล้วก็ทําให้อิสลามนั้นได้รับชัยชนะแต่หลังจากนั้นก็จะมีเหตุการณ์อีกหลายอย่างตามมาก็จะมีการปรากฏตัวของดัชเชสใช่ไหมครับดัชเชสมาปุ๊บมุสลิมก็จะแพ้อีกเพราะสู้ไม่ได้อัลลอฮ์ก็ส่งเนบิีซามาจัดการกับดัจเชสหลังจากนั้นยาฮุดมายุทธก็จะมาอีกพอยาฮุดมายุทธมาอีกปุ๊บก็ไม่มีใครสู้ได้เลย เจอทังว่าต้องหนีกันหนีตายกันไปหลบซ่อนกันไปอะไรกันเจอทั้งอัลลอฮา์จั ก, การอย่าหยุดมายุทดและถึงจะเป็นช่วงยุคสุดท้ายอย่างแท้จริงคือตอนนี้เราเหมือนกับอยู่ในยุคสุดท้ายแต่ยังมียุคสุดท้ายนั้นตน่างอิสลามเป็นศาสนาที่สูงส่งโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีพวกเราเพราะนั้นเราอย่าพูดเหมือนกับแสดงว่าอัลลอฮ์ต้องมาขอบคุณฉันนะฉันรู้จักทำยานศาสนานะเนี่ยเพราะฉันเนี่ยหรือว่าเพราะกลุ่มของฉันเนี่ยทำให้อิสลาม ในประเทศไทยเนี่ยมันจเจริญประโยคนี้มันสิ่อมาพูดไม่ได้พอเลาะกล่ า, าวไว้กุ่านชัดเจนครับในยักก่านที่อัลลอฮ์พูดเกี่ยวกับท่นบานอลลับดุลเลาะห์สุลต่ามหารดุนอิารสูลุกัคลัตมินกาบลิฮินุสุนอลฟัยมาตาอัลกุติลังขลัตุมอัลอาบอากอบิคุมบ่ามาลิบอัลอ า, าบัฟฟายฟะลิจุลลอฮ์ชยฟัไซยะซินลฮชานอัลล์กล่ า, า, าวไว้พูดเป็นการเตือนสติสัฮาบะ อยายะกราเนี่ยประทานมานานแล้วแต่สฮะบะปุ๊บ พ, พอเจอเหตุการณ์เพิ่งมาคิดเพิ่งมารู้สึกตัวอลัลลอฮ์เตือนว่าไงครับมุฮัมมัดนั้นเป็นเพียงศาสนาทูตคนหนึ่งซึ่งมีศาสนาทูตเป็นจนํานวนมากมา ก, ก่อนหน้าเขาแล้วก็คือมาแล้วก็เสียชีวิตมาแล้วก็เสียชีวิตนบีบรหิมาแล้วก็เสียชีวิตนัมมตนทูตคนหนึ่งอลัลลอฮ์ใช่ครัว่าเป็นเพียงเพื่อเตือนปอบประโลมบรรดาสฮาบะ หลังจากที่ท่านอบีเสียชีวิตคือในปีที่ท่านอบีวัสสลายฮุอาเริสลมเสียชีวิตเนี่ยซาฮบะหลายท่านทําใจไม่ได้พอรักมากพอรักท่านอบีมากรักระซูนมากอยู่ด้วยการผ่านความยากลําบากมาฟันฝ่าอะไรกันมาตั้งเยอะพอท่านระซูนเสียชีวิตปุ๊บท่านอุมัตถึงขั้นบอกเลยว่าใครก็ตามที่บอกว่ามุฮัมมัดตายเนี่ยฉันจะฟันเขาคือด้วยความที่รักแล้วก็แบบว่ารับไม่ได้รับไม่ได้ ด้วยความเมตตาของอละอ้อยท่านอบูบักรอยองโลหัวอันหูเนี่ยท่านขึ้นไปบรมินบัตก่อนที่จะขึ้นไปเนี่ยท่านหอมศพของท่านอบดก่อนแล้วก็บอกว่าท่านอบีท่านนี่ยท่านหอมทั้งตอนที่มีชีวิตอยู่กับตอนเสียชีวิตไปแล้วแล้วท่านขึ้นไปบรมินบัตแล้วท่านก็ได้ประกาศบอกว่าจงรู้ไว้ใครก็ตามที่กราบมุฮัมมัดกราบไหว้มุฮัมมัดมุฮัมมัดตายแล้วใครก็ตามที่กราบไหว้อัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่มีวันตายแล้วก็อ่านในยักกวาดนี่แหละ มอหมัดนั้นเป็นเพียงรอซูลคนหนึ่งซึ่งมีรอซูลมาแล้วก่อนหน้าเขาหากว่ามอหมัดตายหรือถูกฆ่าเจ้าจะหันหลังให้กับศาสนาของลอ้อกันหรือคือจะกลับไปเป็นกาเฟตอย่างเดิมนะและที่อัลลอฮ์บอกครับอัลลาอฮ์พูดกับซาฮาบานะอัลลอฮ์พูดกับซาฮาบะอัลลอฮ์บอกว่าไงครับแล้วใครก็ตามที่เขาเลือกที่จะหันหลังกลับไปคือทิ้งการเป็นมุสลิมเพราะท่านบิ ม, มอหมัดสโลอสลอมเสียชีวิตไป ใครก็ตามเลือกและทิ้งการที่เป็นมุสลิมฟะเลยะดุลลอชัยอัลเขาไม่สามารถทําอันตรายอัลลอฮ์ได้คือต่อให้ทั้งโลกนี้จะเป็นกาเฟสไม่มีใครทําลายอัลลอฮ์ได้แล้วอัลลอฮ์บอกตอนท้ายว่าไงครับแต่อัลลอฮ์จะตอบแทนผู้ที่รู้จักขอบคุณซูฟาอัลลอฮ์ใช้คําที่งดงามมากคืออัลลอฮ์บอกว่าถ้าเกิดใครจะไปเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เดือดร้อน ใครจะทิ้งศาสนาเอา ล, ล่ะไม่ได้เดือดร้อนเหมือนคนบางคนที่ผมเคยเจอแล้วก็ผมยังรู้สึกเสียใจมาจนถึงปัจจุบันบางบ้านบางแม่บ้านบางท่านไม่เคยอ่านกุรฎานเป็นแล้วก็มาเรียนรู้กับอาจารย์ท่านหนึ่งจนอ่านกุฎานได้แต่พอถึงเวลาปุ๊บอาจารย์ท่านนั้นเนี่ยทำตัวให้แม่บ้านรับไม่ได้คือเหมือนกับว่าหักหลังความเชื่อใจ แล้วแม่บ้านก็รู้สึกโกรธรู้สึกเกลียดรู้สึกแค้นรู้สึกเสียใจแล้วแม่บ้านคนนั้นก็บอกว่าไงครับเขาไม่อยากอ่านกุรานอีกเลยพอเมื่อไหร่ก็ตามที่อ่านจะคิดถึงอาจารย์คนนั้นอาจารย์ที่เคยทําร้ายเขาอันนี้เป็นบททดสอบเป็นบททดสอบที่ว่าพอเรามาดูแย่กุรายเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยเราบอกว่าไงครับถ้าใครเลือกที่จะฝ่าฝืนใครเลือกที่จะหันหลังให้กับอัลลอฮ์เขาไม่ได้ทําร้ายอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์บอกเขาไม่ได้ทำร้ายอัลลอฮ์แปลว่าเขาทําร้าย ใ, ใครครับ ทำได้ตัวเองซึ่งเราบอกว่าไครับฟาสยะจัซิน ล, ลาหุชากิลินแต่เราะจะตอบแทนผู้ที่รู้จักขอบคุณทำไมถึงใช้คำว่าตอบแทนผู้ที่รู้จักขอบคุณทำไมไม่บอกว่าจะขอบคุณผู้ที่ยึดมั่นในการเป็นอิสลามทำไมใช้คบว่าตอบแทนผู้ที่รู้จักขอบคุณเพราะมันข้ามช็อตการเป็นมุสลิมไปแล้วเพราะไม่ว่ามุสลิมเราจะสูญเสียอะไรก็ตาม เราจะยังสำนึกในบุญสำนึกในบุญคุณขอรอดเสมอเพราะสิ่งหนึ่งที่เราสูญเสียมันยังมีอีกเป็นล้านสิ่งที่เรายังได้รับเราอาจจะสูญเสียสุขภาพแค่หนึ่งในพันที่เรามีบางท่านอาจจะไข่ไขข้อไม่ดีเข่าไม่ดีแต่ยังมีขาที่ดียังมีกล้ามเนื้อส่วนที่เหลือทั้งหมดที่ดียังมีประสาทที่เหลือทั้งหมดที่ดี แต่ว่าตามธรรมชาติใช่ไหมครับถ้าเกิดเอากระดาษมาซักแผ่นหนึ่งกระดาษสีขาวเราแต้มจุดดำหนึ่งจุดส่วนใหญ่คนจะดูแค่จุดดําธรรมชาติของมนุษย์ถูกไหมครับเราจะไม่ให้ความสนใจกับจุดขาวละคือเราจะได้รับความสุขมากแค่ไหนก็ตามเราใช้ความสําคัญกับความทุกข์มากกว่าจะดื่มความสุขนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์พราะนาั้นลก็เลยบอกว่าอลัลลอฮ์จะตอบแทนผู้ที่รู้จักขอบคุณนะในบททดสอบของเจ้าในการสูญเสียของเจ้า เพนันก็เลยย้านะครับในส่วนของสระอยอีคลาสเนี่ยโดยเฉพาะอายะที่ว่าอัลลอฮุสฺมาตอัลลอฮุสฺมาตอัลลอฮทรงเป็นที่พึ่งเป็นการเป็นที่พึ่งแบบแบบสมบูรณ์เลยครับไม่มีอะไรแม้แต่อย่างเดียวที่เราพึ่งตัวเองได้เลยไม่มีเลยการยืนการเดินการนั่งการนอนการหลับการตื่น การกินการย่อยอาหารการทํางานการหาเงินการหาริสกีอากาศที่สุดสถานที่ที่ท่องเที่ยวยานพาหนะมันไม่มีอะไรเลยที่เราเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงที่ว่าเราสามารถดูแลมันได้อย่างแท้จริงทั้งหมดนั้นต้องพึ่งพาอลอะหมดเลยเวลาสตาร์ทรถเกิดการระเบิดมีพลังงานรถเคลื่อนที่พอล้อ Allah, ให้มันเป็นไปออลอสให้กดฟิสิกส์กดนี้ที่ว่ามันเป็นไปที่ว่ามีพลังงานปุ๊บขยับปุ๊บรถมันขยับไป มันอาจจะมีแรงดึงดูดมีแรงโน้มถ่วงมีไม่มีหรือว่าอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ลอตเตียไว้ให้กับเราถ้าเลาลเอาอะไรไปปุ๊บเราไม่สามารถที่จะเรียกร้องมาได้ลอบอกในกุรานว่าไงครับมแมลงวันลอ เ, เปรียบเทียบกับมแมลงวันลอบอกไงครับขอให้มนุษย์ทั้งหมดเนี่ยมารวมตัวกันเพื่อสร้างมแมลงวันสักตัวเขาก็ไม่สามารถทาได้ เอาแล้เปรียบเทียบด้วยกับสิ่งที่มันต่ําต้อยที่สุดในสายตาเราอะครับที่ว่าเราอยู่ในบ้านเจอมแมลงวันที่มันต่ําต้อยอยากตกตรีอะไรประมาณเนี่ยเอาแล้บอกว่าให้คนทั้งโลกมารวมตัวกันเลยเพื่อสร้างมาแมลงวันสักหนึ่งตัวเขาไม่มีทางทำได้บางคนอาจจะบอกว่าใช้วิธีเพราะเพราะก็คือใช้ของอันละลไงใช้สุดของอันละลสร้างเองเลยสิเริ่มจากแร่ธาตุมาเองเลยแล้วก็สร้างให้เกิดระบบร่างกายเองเลยให้ได้แมลงวันหนึ่งตัว แล้วเราบอกว่าไงครับถ้าเกิดแมลงวันหนึ่งตัวเอาอาหารอะไรไปเขาก็ไม่สามารถแย่งมาจากแมลงวันได้เอาเาเปรียบเทียบไว้เราเคยเจอแมลงวันมาตอมอาหารใช่ไหมครับพอมันตอมอาหารเราแย่งอาหารที่มันตอมได้ไหมครับเราทำได้อย่างมากคืออะไรตบมันให้เสียให้มันตายถูกไหมครับให้มันตายกับอาหารที่มันเอาไปแต่แค่อาหารที่แมลงวันเอาไปเรายังไม่มีปัญญาจะแย่งคืน อัลลอฮ์บอกในกุรานตบท้ายว่าไงครับ t h อ unfat to ribu ban m a l ช่างอ่อนแอเหลือเกินสิ่งที่อัลลอ์เรียกร้องให้ทำกับผู้ที่ถูกเรียกร้องคือคนก็ air, อ่อนแอเมงวันก็อ่อนแอแต่ทั้งผู้อ่อนแอเหมือนกันเหมือนกันทั้งๆ ท, ที่เราอาจจะคิดว่าเราเหนือกว่ า, มาแมลงวันเยอะแต่ละผู้ให้เราฟังในอีกมุมมองหนึ่งว่าในมุมมองของชีวิตเนะี่ย คนกับมแมลงวันไม่ต่างกันเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอที่ต้องพึ่งพา Allah. Allah อัลลอฮ์อัลลอฮฺผสมัรทบทวนในส่วนของลำยาฤิตวาลามยูรัดการไม่ให้กำเนิดกับการไม่ถูกให้กำเนิดมีหลายในยยะเนยยะนี้ที่พูดไปแล้วก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือว่า บางครั้งจะมีมุสลิมบางท่านที่ว่าใช้คาว่าย่ามใจอะครับย่ามใจรู้สึกเหมือนกับว่าชาล่าใจคิดว่าฉันเป็นเด็กเส้นของอัลลอฮ์มุสลิมจานวนนี้มีไม่น้อยเป็นเด็กเส้นของอัลลอฮ์หมายความว่าไงฉันทำอะไรผิดไม่เป็นไรอัลลอฮ์ไม่เอาผิดฉันหรอกฉันไม่จำเป็นต้องละหมาดหรอกฉันไม่จำเป็นต้องเรียนศาสนาหรอก ฉันไม่จำเป็นต้องทำอิบาระอะไรหรอกที่ผมได้ยินมากับหูอิสลามอยู่ในหัวใจก็พอแล้วอันนี้คือได้ยินมาแล้วก็รู้สึกเศร้าคือเขามองเราล้อง่ายไปทั้งทั้งที่เขาไม่ได้ดูว่ามันมีอีกหลายอย่างที่มันน่ามันน่าคิดมันน่าคุ้นคิดแล้วมันน่าสะพึงกลัวยิ่งความยิ่งใหญ่ของล้อไม่ใช่เรื่องที่เราจะล้อเล่นมีครั้งนึ่งอะครับที่ว่า ท่านอบีมั ส, สละลองในสลามเป็นคืนที่ว่าท่านอบีจะนอนกับที่หญิงไอชาคือท่านอบีจะมีการแบ่งใช่ไหมครับแบ่งวันวันนี้อยู่กับภรรยาคนนี้วันนี้อยู่กับภรรยาคนนี้มีครั้งหนึ่งครับท่านอบีมัสละลองในสลามเป็นคืนที่ว่าท่านจะมาค้างกับบ้านท่านหญิงไอชาพอท่านมาที่บ้าน pues, ท่านหญิงไอชาปุ๊บท่านอบีมั ส, สละลองบอกว่าไงครับไอชาพี่ขอเธอได้ไหมคืนนี้พี่ขอละหมาดยามค่ําคืนนานๆได้ไหม สุบานหรือว่สามีขออนุญาตภรรยานบีกลัวภรรยาไหมครับไม่ได้กลัวนะครับผู้ชายบางครั้งเราอาจจะแยกออกแยกไม่ออกระหว่างคําว่ากลัวเมียกับให้เกียรติเมียกลัวภรรยาให้เกียรตภรรยาบางครั้งแยกไม่ออกภรรยาก็เช่นเดียวกันท่านนบีมัสรลองซัมท่านถือว่าคืนเนี่ยเป็นคืนของอท่านหญิงไอชะท่านหญิงไอชะมีสิทธิ์ในคืนนี้ แล้วท่านก็ไม่อยากให้จะทำร้ายที่อย่างไอ้แช่ท่านนักที่ว่าแท้ท่านอบีจะละหมาดใครห้ามได้ถูกไหมครับใครจะมาห้ามได้แต่ท่านอบีขอที่อย่างไอ้แช่ก่อนที่อย่างไอ้แช่ก็สุดยอดภรรยาบอกว่าไงครับยา ล, ละซุนละสิ่งที่ฉันรักมากมีสองอย่างน้องรักที่จะอยู่กับพี่ตลอดเวลาอยากอยู่กับนบีตลอดแล้วน้องก็รักที่จะให้พี่ทําในสิ่งที่พี่รัก ผู้ชายคนไหนได้ยินนี่คือปลื้มใจครับจากภรรยาตัวเองคือพี่รักอยากจะทําอะไรน้องก็อยากให้พี่ได้ทําสิ่งนั้นแหละก็คือท่านเ ย, ยชา้าพูดอย่างนี้ก็คือท่านเยช้าเนี่ยยินดีให้ท่านอบีละหมาดแต่ว่าท่านเยช้าขออยู่ด้วยขออยู่ใกล้ๆนบีตอนท่านอบีละหมาดท่านอบีก็ทําการละหมาดแล้วตอนท่านอบีละหมาตตอนท่านยืนท่านร้องห่มร้องไห้ร้องไห้จนกระทั่งว่าน้ําต า, ตาอาบแก้มเลยอาบแก้ม แล้วก็ตอนท่านอบีมสัสรอเลสลัมสยุดน้ำตาก็ชุ่มจุดที่ท่านสยุดร้องไห้เยอะมากร้องไห้หนักมากร้อ ง, องห่มร้องไห้ร้องห่มร้องไห้จนกระทั่งว่าละหมาดเสร็จละหมาดเสร็จท่านบีก็ขึ้นมานอนข้างๆที่หญ่ไอชัท่านาบีก็ยังคงร้องไห้อยู่ที่ใหญ่ไอชักก็เป็นห่วงแต่บางครั้งครับสามีภรรยาสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดก็คืออยู่ด้วยแบบเงียบๆ คือรอให้เขาพูดมาเองรอให้ท่านพูดมาเองทีนี้ครับเมื่อถึงเวลาครับเข้าเวลาระหมัดซูโบแล้วเข้าเวลาระหมัดซูโบท่านบีร้านก่อนจะมาทําการอา่านก็เหมือนกับมาเคาะประตูมาขออนุญาตท่านอบีก่อนซึ่งท่านอบีท่านเยเลชาก็ส่งสัญญาณให้รู้ว่าเข้ามาได้ไม่มีอะไรพอเข้ามาปุ๊บก็เห็นท่านอบีร้องห่มร้องไห้มากเลย ท่านอบูท่านบิลานเข้ามารับท่านบิลานเห็นปุ๊บท่านตกใจท่านก็บอกยาซูละมีอะไรให้ท่านต้องร้องไห้ขนาดนี้คือการที่มุสลิมสักคนจะลุกมาละหมาดยามค่ำคืนแล้วร้องไห้หลักๆมีเหตุผลเดียวเพราะเรารู้สึกผิดใช่ไหมครับเรารู้สึกผิดเรารู้สึกอยากจะสำนึกผิดต่ออัลลอ์รู้สึกอยากเตาบาตออัลลอฮ์ รสึกว่าเราท่านชั่วร้ายทั้งเวลวร้ายเราถึงร้องไห้มีแค่เหตุผลเดียวแล้วท่านบีล้านพอเห็นท่านอบีท่านบีล้านก็อุทานครับว่าอยากรุ้แล้วอะไรทําให้ท่านร้องไห้ขนาดนี้ท่านคือคนที่อัลลอฮ์รับรองว่าอัลลอฮ์จะไม่มีวันเอาผิดท่านคือมันมีเหตุผลอะไรให้ท่านอบีต้องกลัวเพราะท่านอบีุศรัทธาในอัลลอฮ์มากที่สุด รู้จักอัลลอฮ์มากที่สุดแล้วอัลลอฮ์ก็ประกาศเลยว่าสําหรับท่านนบีมูฮัมหมัดสุลตานของอัลลอฮ์สุลามไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามอัลลอฮ์ยกโทษให้หมดเลยคือเข้าสวรรค์นแน่นอนคือถ้าท่านนบีอัลลอสุมไม่ได้เข้าสวรรค์สักคนไม่มีใครอีกแล้วที่จะได้เข้าไม่เหลือท่านมิรานเห็นตกใจแล้วก็บอกว่าทําไมท่านถึงร้องท่านบานบีบอกไงครับบีรานทําไมเจ้าจะไม่ให้ฉันร้องล่ะในวันเนี้ยอัลลอฮ์ได้ประทานอายักุรานมา ว่าอินน์ฟีขัลกิสส์สภาวะที่และอัติวัติลาฟิในหนาหรืออ้ายติลุลอัลบาบอัลล์ดีนยักษ์รุนอัลลอฮ์กิยาโมวะอัลลาชินุบิห์มวยยุต่่าฟักรุนอัลล์ฟีขัลกิสส์สภาวะที่และอัติรับอันอัมัครักถ้าดะบัติละสุบฮะนักและกิญญาติบันทับอัลลอฮประธานในอัลกุรอานว่าไงครับแท้จริงในการสร้างท้องฟ้าและแผ่นดินอิทแท้จริงในการสร้างฟากฟ้าทั้งหมดแล้วก็ผืนแผ่นดิน วัตติลาฟิเลวันนาฮาร์แล้วก็การที่ให้กลางวันกับกลางคืนนั้นมันแตกต่างกันเอาละพูดกิจการครับถ้าแบ่งก็สามอย่างเนาะการสร้างฟากฟ้าการสร้างแผ่นดินความแตกต่างของกลางวันกับกลางคืนเอาละบอกนะครับละอรยาติ้นลิอุลีอัลบาบมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนแล้วสําหรับคนที่มีสติปัญญา สำหรับคนที่มีแก่นอุรุตละบับจะไปพผู้ที่มีแก่นแท้คือคนที่มีใจศรัทธายอย่างแท้จริงอลัลลอฮ์บอกว่าแค่สามอย่างอ่ะสำหรับมุสลิมที่แท้จริงเนี่ยมันพอเพียงแล้วที่จะทำให้เขารักอลัลลอฮ์ที่จะทำให้เขากลัวอลัอลลอฮ์อัลลอฮ์คือผู้สร้างฟ้าฟ้าที่ยิ่งใหญ่ที่เราดูในท้องฟ้าตอนนี้มันกว้างใหญ่ขนาดไหนเกินจินตนาการมีดวงดาวสรพัมี ดาวที่ร้อนที่สุดที่เรารู้จักตอนนี้อยู่ไกลโลกก็คือดวงอาทิตย์แล้วมันจะมีดาวในอีกมากมายผู้ที่สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วพระองค์ก็เป็นผู้ที่สร้างแผ่นดินให้มีความเขียวขจีให้มีความอุดมสมบูรณ์ให้มีความแห้งแล้งให้มีต้นไม้ให้มีสิงสาราสัตว์ให้มีระบบนิเวศให้มีีิตสิ่งมีชีวิตทั้งหมดผู้ที่สร้างทั้งหมดเนี่ยพระองค์บอกว่าพระองค์สร้างสวรรค์ไว้เป็นสิ่งตอบแทน จนจิตนาการแค่ไหนไม่รู้แค่ท้องฟ้าที่เราเห็นแค่แผ่นดินที่เราเห็นแค่กลางวันกลางคืนที่มันเปลี่ยนนะครับมันไม่เหมือนปิดไฟเปิดไฟถูกไหมครับเปิดปิดไฟบ่อยๆตาเสียถูกไหมครับถ้าเกิดเราอยู่มืดๆจะอยู่เปิดให้มีไฟมีไฟอยู่ๆปิดให้มืดทำบ่อยๆตาเสียแต่การเปลี่ยนกลางวันกลางคืนขอแล้วมีใครรู้สึกไหมครับว่ามันเปลี่ยนแล้วมันผุดปับมันปวดหัวมันอะไรไม่มีเปลี่ยนอย่างเป็นธรรมชาติ แล้วผู้ที่สร้างทุกอย่างอย่างเป็นธรรมชาติผู้ที่สร้างความทรมานแสนสาหัสบนดุนยาผู้ที่สร้างดวงอาทิตย์พระองค์บอกว่าพระองค์สร้างไฟนรกไว้ให้สาหรับผู้ที่ฝาผฝืนพระองค์ถ้าสาหรับผู้ที่ศรัทธาต่อแล้วแค่ดูสามอย่างเนี่ยเขาจะรู้ถึงความยิ่งใหญ่ขอร้องแล้วเขาจะรู้แล้วว่าเราไม่ใช่คนที่จะมาล้อเล่น ไม่ใช่คนไม่ใช่ผู้ที่จะมาบอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเตาบ้าทีหลังตอนนี้ทําความชั่วไปก่อนหรือว่าฉันยังไม่ต้องเรียนฉันไม่ต้องละหมาดฉันไม่ต้องจ่ายสาการแปลว่าคนเหล่านั้นไม่เคยดู3าอย่างนี้อย่างแท้จริงในยักกวาดเราบอกว่าไงครับบรรดาคนที่ค่าค่าควรใน3อย่างเนี่ยเขาจะรำลึกถึงเราทั้งในยามยืนในตอนยามนั่งหรือตอนนอนบนสีข้างแล้วเขาจะบอกว่าไงครับรบบนามาขอลักแต่หาดะบาติลา พระผู้อภิบาลของเราพระองค์ไม่ได้สร้างอะไรมาอย่างไร้สาระเลยดูในโลกไม่มีอะไรไร้สาระเลยไม่มีอะไรที่มันแบบไม่เมกเซนไม่มีอะไรที่มันเหมือนกับว่าเป็นงานทําชุ่ยๆไม่มีเลยการสร้างของลอสสวยงามสมบูรณ์มีเหตุมีผลแล้วก็มีความต่อเนื่องมันเกินจากเกินอธิบายอะครับเชื่อเล่าบอกไลครับผู้ที่ศรัทธาเนี่ยเมื่อริ่มมิตรเสือเ ล, อเาลอมากๆครับอย่างนี้ต่อครับ เขาจะบอกว่ามาครัชตาฮาบัติดัลลอฮอัลลอฮไม่ได้สร้างอะไรมาอย่างไร้สาระเลยขอซาดูดีต่อพระองค์นี่คือความตื้นตันใจที่เรารู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของลอเราตื้นเต้นใจแล้วก็สุบฮานอัลลอฮมหาบริสุทธิ์แดลลอขอสารีแดลอวากีนาอาดาบันนาหขอให้เราลอดพ้นจากไฟนรกด้วยเถิดพอหลังจากดูแล้วรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของลอเราไม่เคยเห็นอัลลอฮใช่เราไม่เคยเห็น ไม่มีใครเคยเห็นพระองค์ไม่มีใครเคยได้สนทนากับพระองค์ไม่เคยมีใครได้ยินคําพูดของพระองค์แต่ด้วยกับการสร้างของพระองค์ที่ยิ่งใหญ่มันทําให้มุสลิมเรารู้ว่าเราทั้งรักพระองค์แล้วเราก็ทั้งกลัวพระองค์ตรงไหนนะครับที่บอกมาขอมาครับเผื่อจะได้ไปศึกษากันนะครับเรียกอายะผมไม่เป๊ะ อยู่ในสุรอาลีมรอนอายะที่หนึ่งครับถ้าท่านใดสนใจก็ไปอ่านไปศึกษาดูครับผมจนถึงร9 1้อนะครับ1้อยเกสิรอยาสิในุอาลีมรอนก็คือสุรานี้พอประทานมาให้กับท่านนาบีปุ๊บท่านอนับดุลลามสลิม พ, พูดที่ว่าอัลลอ์รับรองว่าไม่เอาผิดแน่นอนพอท่านได้ฟัง อายะสองอายะนี้ท่านร้องไห้ทั้งคืนท่านร้องไห้ทั้งคืนเพราะท่านคิดท่านใครควรตามที่อัลลอ์บอกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอ์ถามหน่อยครับว่าท่านนบีมุสลิมซามเป็นนักวิทยาศาสตร์มีความรู้วิทยาศาสตร์เท่าคนปัจจุบันัหมไม่เท่าท่านนบีบอกว่าในเรื่องดุนยาเนี่ยพวกท่านรู้มากกว่าฉันแต่ด้วยความอีหมานที่ท่วมท้นของท่านนบีด้วยกับประสบการณ์ชีวิตของท่านนบี ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวแค่ร่างกายอย่างเดียวก็เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของล้อแล้วแล้วก็สารพัดสารเพยแต่ว่ามุสลิมเราถ้าสังเกตดูนะครับเหมือนกับที่ท่านฮัสซันบัสรีได้บอกไว้ท่านฮัสซันบัสรีบอกว่าไม่มีใครกลัวความกับกอกไม่มีใครกลัวความกับกอกนอกจากผู้ศรัทธา แล้วไม่มีใครมั่นใจว่าตัวเองไม่ใช่ผู้กับกอกนอกจากเขานั่นแหละเป็นผู้กับกอกแล้วมุนาฟิกเป็นคําที่รุนแรงที่สุดในอิสลามพอเราบอกไว้ครับอินันมูนาฟิกเนีฟิดดาร์กิดอัลฟารีมินานานาแทจิมูนาฟิกคนกับกอกเนี่ยอยู่ในนรกชั้นต่ําที่สุดต่ําที่สุดแล้วก็คืออยู่กับอิบลิสเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มุสลิมกลัวที่สุดก็คือกลัวว่าเราจะเป็นมุนาฟิกกลัวว่าเราจะเป็นคนกับกอก คือปากบอกว่าเป็นมุสลิมแต่ใจไม่ใช่มุสลิมหรือปากอ้างว่าเป็นมุสลิมใจอ้างว่าเป็นมุสลิมแต่พฤติกรรมไม่มีพฤติกรรมของมุสลิมเลยซึ่งซบาบะแต่ลนะท่านเนี่ยกลัวเรื่องเรื่องนีฟากหน่อนะครับกลัวมากกลัวถึงขั้นว่ามีครั้งหนึ่งอะครับบรรดาซาบะพวกท่านอาวุโสครั้งหนึ่งครับท่าน ขอมากครับผมรู้ชื่อผมรู้ชื่อจริงๆขอมากเมื่อกี้ยังนึกออกอยู่เลยมันอยู่ในริ้นอ เ, เอาครับแต่เพื่นนี้มาบอกอีกทีท่านหนึ่งครับท่านร้องห่มร้องไห้มากเลยท่านออกมาจากบ้านแล้วก็ร้องห่มร้องไห้แล้วก็มาเจอท่านอบูบัคท่านอบูบัค ก, ก็ตกใจแล้วก็บอกว่าทําไมท่านร้องห่มร้องไห้ขนาดนี้ล่ะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงร้องห่มร้องไห้ซาบะท่านนั้นบอกว่าไงครับผมเนี่ยฮันซาล่าคิดชื่อออกแล้วทำดีแล้วซาบะชื่อว่าท่านฮันซาล่า ฮันซาล่บอกไงครับท่านนซาล่บอกกับท่านอบูบักบอกว่ายาบูบักฮันซาล่เป็นมูนาฟิกแล้วฉันนี่เป็นมุนาฟิกแล้วท่านอบูบักนี่แล้วตกใจซาฮับอาวุโสอยู่ใกล้ชิดกับท่านอบดลีร้องห่มร้องไห้เพราะเชื่อว่าตัวเองเป็นมุนาฟิกเป็นคนกับกอกเรียบร้อยแล้วท่านอบูบักบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นท่านฮันซาล่บอกไงครับท่านอบูบักตอนที่เราอยู่กับรอซูล รอสุลราะสโลลสลามได้สอนให้เราได้พูดให้เราฟังจนเหมือนกับเราเห็นนรกเห็นสวรรค์แล้วเรามีอีมานเรารู้สึกว่าเรารักอัลลอฮ์เรากลัวอัลลอฮ์แต่เมื่อเรากลับไปที่บ้านเราไปอยู่กับครอบครัวความกลัวนี่มันเบาลงท่านบอกว่ามันไม่เหมือนเดิมอยู่กับนบีเนะี่ยอีมานพุ่งพ่านเลยอีมานสูงเลยแต่พอกลับบ้านปุ๊บอีมานลดนวล ท่านบอกว่านี่แหละท่านกลายเป็นมูนาฟิกแล้วแล้วก็ร้องห่มร้องไห้เลยท่านอบูบัคได้ยินตกใจเหมือนกันบอกว่าผมก็เป็นเฮ้ยที่ท่านพูดมาเดี๋ยฉันไม่เคยคิดแต่ว่าฉันก็เป็นคืออยู่กับนบีเนี่ยรู้สึกว่าอีหม่าเนี่ยสูงนะั่นไงแต่พอกับบ้านมันลงแต่ท่านอาบูบัคครับไรลลอนันลอห์อันหูเมื่อมีปัญหาอะไรก็ตามท่านกลับไปหาเราศูนก่อนไปหานาบีก่อนเลยถ้ามีปัญหาไม่เคลียร์อะไรต้องไปหานาบีเพราะ เป็นคำตอบให้กับท่านได้ท่านอบูบัคก็เลยพาฮันซาละไปหานอับดุลสละก็ยังร้องไห้ยังไม่เสร็จก็ยังร้องไห้อยู่พอไปหาท่านอบีุปุ๊บท่านอบีก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นท่านอับดุลสลาก็เล่าให้ฟังท่านบอับดุลสลามก็บอกว่าไงครับมันก็เป็นอย่างนั้นแหละการศรัทธามันก็เป็นอย่างนั้นคือถ้าท่านสามารถรักษาอิมานให้สูงได้มาเลก์กาจะมาห้อมล้อมท่านแต่ละอย่างจะมาขอความเมตตาให้แก่ท่านจะมีแต่สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นกับท่าน แต่มันก็จะได้แค่ประเดียวประดาวแปลว่าท่านอบับดุลลาอีลสลามก็บอกให้เรารู้ว่าอีหมานของผู้ศรัทธาเนี่ยมันมีขึ้นแล้วก็มีลงยิ่งเราคุกคีกับดุนยามากเท่าไหร่ก็ตามอีหมานจะยิ่งลงสังเกตดูอย่างบาท่านมีคําถามนะครับทำไมเวลาฉะัละหมาดแล้วฉันไม่มีสมาธิเลยคําตอบง่ายมากละหมาดคือการเข้าเฝ้าอัลลอฮ์คือการที่เราวางทุกอย่างเพื่อไปหาพระ อ, องค์ ถ้าใครก็ตามไปหาพระ อ, องค์โดยแบกดุลยาไปด้วยเขาไม่มีทางละหมาดมีสมาธิดุลยามันจะเข้าไปในทุกกระกาของเขาดุลยามันจะเข้าไปในทุกตัสเบียของเขาดุลยามันจะเข้าไปทุกคําพูดของเขาจนบางทีเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขาอ่านฟาเทะจบหรือยังเขาอ่านอัลฮัมดูหรือเปล่าเขาอ่านซูลรอไหมเขาละหมาดไปแล้วเกี่ยวกระกายิ่งคนที่แบบว่าละหมาดแล้วก็ชอบลืมเป็นประจําว่าอ่านไปแล้วเกี่ยวกระกานั่นเพราะเราแบกดุลยาไปหาอัลลอฮ์เกินไป เพราะนั้นกับซาบาสซาบาสก็เป็นแบบนั้นพวกเราก็เป็นแบบนั้นไม่ต่างกันแต่มันแสดงให้เห็นว่าไงครับคนที่กลัวในเรื่องของมุนาฟิกจะมีแค่คนดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดเราอาจจะเป็นคนชั่วเราอาจจะเป็นคนไม่ดีเราอาจจะทำอิบารดาบกพ่องอาจจะละหมาดคุณภาพบ้างไม่มีคุณภาพบ้างแต่แต่ตใดก็ตามที่เรายังกลัวว่าเราจะเป็นมุนาฟิกเรายังสามารถกลับตัวได้อยู่ แต่เมื่อไรก็ตามที่เราเลิกกลัวไปแล้วเมื่อไรก็ตามที่เราคิดว่าฉันไม่มีทางเป็นมูนาฟิกอันนั้นคือวิกฤตที่สุดแล้ววิกฤตที่สุดแล้วของเราเพราะคนที่ไม่กลัวว่าตัวเองจะเป็นมูนาฟิกมีแค่มูนาฟิกเท่านั้นเพราะฮันดิซิทันลบีบอกไว้ท่านบีบอกไงนะครับชีริกสิ่งที่ฉันกลัวว่าพวกเขาะจะทามากที่สุดก็คือชีริกซอนเลนการโอวดการอวดอ้าง คุณลักษณะของมูนาฟิกซึ่งท่านอบีบอกว่าไงครับมันจะมาแบบมดดําบนหินก้อนดําในคืนที่มืดมิดหมายความว่าเมื่ออะไรก็ตามที่เราโอ้อวดอันนี้ผมขอเตือนตัวเองแล้วก็ทุกท่านจําให้ดีๆเมื่อไหไรก็ตามที่เราโอ้อวดเราจะไม่รู้ว่าเรากําลังอวดอยู่นี่คือความน่ากลัวของการโอ้อวดซึ่งการงานใดก็ตามที่มีการโอ้อวดการงานนั้นศูนทันทีอัลลอฮ์ไม่รับเลย อย่างบางคนบอกเนี่ยตั้งแต่ฉันอักเก้นบานเล็กมาเนี่ยนะฉันละหมาดไม่เคยขาดเลยมีเนียโตอวดเข้ามาปุ๊บละหมาดที่ไม่เคยขาดของเขาอัลลอฮ์ไม่รับเลยน่ากลัวนะการโอ้อวดนะบิวว่าฉันกลัวที่สุดแล้วในประชาชาตินี้คือสิ่งที่น่ากลัวที่ระบีบอกอะ่ะมันมีเรื่องคําพูดคําพูดทําลายการงานที่ดีได้แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคําพูดก็คือการเป็นมูนาฟิก การเป็นผู้กับกอกการที่ว่าทำดีแล้วก็อยากให้คนอื่นรับรู้อยากให้คนอื่นชมอยากให้คนอื่นพูดยังปัจจุบันเนี่ยครับสิ่งที่ผมกลัวผมกลัวกลัวมากเลยเรื่องของการใช้สื่อ Facebook สื่อรลยหลายครั้งที่ว่าบางคนจะมาบอกว่าเออเนี่ยผมแม่ผมกำลังไม่สบายช่วยดูอาให้หน่อยแล้วก็จะมีคนไปพิมพ์ดูอาให้ดูอาเราขอจากอัลละ์หรือขอจากคนพิมพ์ ขอจจกรว่าเราจําเป็นต้องให้เขารู้ไหมว่าเราดูอาให้เขาแล้ว เ, เ, เราจําเป็นต้องให้เขารู้ก็ต่อเมื่อเราอยากจะให้เขารู้ว่าฉันดูอาให้เธอแล้วนะนฉันทําแล้วนะนฉันทําดีกับเธอแล้วนะถูกไหมครับผมก็เลยว่าผมไม่ได้บอกว่าผมรู้เจตนาของคนพิมพ์บางขัง้นเจตนาดีจริงๆแต่ผมมองว่าสื่อ facebook ปัจจุบันหรือว่าไลน์หรือว่าอะไรก็ตามเนะี่ยอันตรายมาก ถ้าเวลาเราจะดูอาให้ใครถ้าจะบริสุทธิ์ใจจริงๆไม่ต้องบอกเขาก็ได้ไม่ต้องให้เขารับรู้ว่าเนี่ยฉันอุตส่าห์ดูอาให้แล้วนัถึงเวลาดูอาให้ฉันด้วยไม่จำ <ละ S 2> เป็น<ะ>ครับดูอาทับหลังดีที่สุดแหละลุกมาตะทั่ยุดเลยยกมือขอดูอาจากล้อครับ<ะ><ะ>เดี๋ยวเรามาสรุปเรื่องสุรไอคลาสอีกหนึ่งครับผม อัลลอฮุมารับอาติบ ะ, ะทีา ม, มาศึกษาในคัมภรินมาเรีนเรากษนะคเพระนั้นวลนยครที่เราศึกษาเป็นสุราะที่ยิ่งใหญ่สุราะอัลอิคลาส ซ, ซึ่งมีความหมายว่าความบริสุทธิ์ใจความจริงใจเพราะฉะนั้นจากสุราะนี้ที่เราได้รปเรียนสำคัญที่สุดเลยจากชื่อของสุราะก็คือสิ่งที่มุสลิมเราต้องระวังไว้ตลอดชีวิตในการเป็นมุสลิมของเรา เราต้องพยายามดำรงตนให้อยู่บนความจริงใจจริงใจต่อเราแล้วก็จริงใจต่อผู้อื่นทําอะไรก็คือบริสุทธิ์ใจเพื่ออลเราแล้วก็บริสุทธิ์ใจต่อผู้อื่นในการทําความดีงามใดๆก็ตามเราอาจจะมีหลายเจตนาไม่ผิดไม่ผิดอย่างเช่นบางทีแม่บ้านแม่บ้านลุกมาตอนเช้าหลังจากละหมาด เ, เรศิษดูฮะ เ, เรศิษทํากับข้าวให้พ่อบ้านทำกับข้าวให้คนในครอบครัว เราอาจจะมีเจตนาว่าที่เราต้องลุกมาทำเนี่ยเพราะเป็นหน้าที่เราอาจจะคิดว่าที่เราทำเนี่ยเพราะเรารักสามีเราทำเพราะเรารักลูกเราทำเพราะเราหิวกี่เจตนาก็ตามตราบใดก็ตามที่เจตนาหลักหนึ่งของเราเรายังตั้งใจไว้ว่าที่เราลุกมาทำเพราะเป็นอามานะที่อัลลอ์สั่งใช้เราทำแล้วอัลลอ์จะได้รักเราถือว่าการงานนั้นมีความบริสุทธิ์ใจตราบใดก็ตามที่เจตนาที่เหลือ ไม่ค้านกับเจตนาแรกทำให้อรรถพอใจแต่ถ้ามีเจตนาที่มันมาค้านกันมาอยู่ระดับเดียวกันยกตัวอย่างเลยว่าสมมติว่าเราทำงานเนี่ยแล้วเราอยากให้คนคนนั้นเนี่ยเขารักเราอยากให้คนคนนั้นรักเราเราก็เลยสมมติาบางคนบางคนอันนี้ที่เคยเจอมาผู้ชายบางครั้งเวลาจีบผู้หญิง หนึ่งในรูปแบบที่ชอบใช้กันใช้เรื่องศาสนามาจีบเออน้องวันนี้น้องละหมาดหรือยังอย่าลืมละหมาดด้วยนะทาน้าละหมาดด้วยพี่เป็นห่วงจุ๊บจุ บ, จบแล้วก็แบบมันดูแล้วมันมั น, ม, นมันแสดงถึงความไม่บริสุทธิ์ใจอย่างในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าใจลึกๆเป็นความผูกพันที่มีต่อผู้หญิงการเตือนนั้นเพื่อเรอาหรือเพื่อคนอื่นครับ เพื่อคนอื่นเอาละบอกว่าไงครับในคำพูดของพระองค์ที่เป็นฮะดิษกุรษีธนาบีมาพูดให้เราฟังทีค่าร่ำรวยเกินกว่าที่จะมีใครมาอยู่คู่เคียงใครก็ตามทำงานใดเพื่อค่าแต่เขาเอาไปแบ่งให้กับสิ่งอื่นนอกจากค่าเขาจะให้เขาอยู่กับสิ่งนั้นแหละคือเอาไม่รับเลย เพราะงั้นการงานใดก็ตามที่มีคู่เคียงที่มีชีวิตที่ว่ามีเจตนาแอบแฝงที่มันทําให้ทําเพื่ออัลลอฮ์หายไปหรือว่ามาอยู่เสมอระดับเดียวกันการงานนั้นเป็นศูนย์ทันทีเพราะนั้นเรื่องของความอิคลาสหรือว่าเป็นสิ่งที่มุสลิมต้องระวังตัวให้ดีเวลาช่วยเหลือใครนะครับก็ตอกย้าตัวเองตอกย้าใจตัวเองไว้ถ้าเราช่วยเขาก็คืออยากให้อัลลอฮ์รักถึงเวลาเขาหักหลังเราเราก็ไม่ต้องเศร้าเพราะถือว่าเราไม่ได้ทําเพื่อเขาเพราะงั้นเช่นเดียวกันนะครับผมก็ประกาศไว้ก่อนเลยนะ ถ้าถึงเวลาสมมุติสมมุติหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นอามินสมมุติว่าอาจารย์อินยาสเกิดเสียคนขึ้นมาสมมติผมไม่รู้สมมติอาจารยา์ญาสเสียคนขึ้นมาเราก็อย่าบอกว่าฉันไม่อยากจะอ่านสุรอิคารัสซีไดเล้คิดถึงอาจารย์อินยาสฉันไม่อยากรู้สึกแย่ยฉันไม่อ่านอิคารัสอยากคิดแต่เงั้นอย่าผูกพันกับคนผูกพันกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะไม่มีวันหักหลังเราถ้าเราผูกพันกับคนคนอาจจะหักหลังเราได้ แต่ที่แน่ๆครับโลกหน้าคนทุกคนหักหลังเราแน่นอนยกเว้นท่านบีมัสละลอออไอสลามท่านไม่หักหลังเราแต่คนทุกคนหักหลังสามีหักหลังภรรยาหักหลังลูกหลานหักหลังพ่อแม่หักหลังคนทุกคนเอาอะไรจากเราได้เขาจะเอาหมดเลยดุจยาเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยกันเดี๋ยวผิดเดี๋ยวออกหน้ารับโลกหน้าไม่มีใครรับแทนใครบางทีผมได้ยินอาจารย์บางท่านพูดผมก็เสียวเหมือนกันอาจารย์บางท่านบอกว่าทําไปเลยเดี๋ยวผิด <c oughs> เดี๋ยวฉันรับผิด <c oughs> ชอบเอง น่ากลัวอย่าพูดอย่าพูดประโยคนั้นคือให้บอกว่าทําไปเลยเนี่ยฉันคิดว่ามันน่าจะถูกถ้าผิดหวังว่าเราจะยกโทษเราอันนี้ฉลาดกว่าอันนี้ฉลาดกว่าเพราะเราไม่รู้ไงหรอจะผิดเราจะพลาดสิ่งที่ผมสอนอะไรบ้างผมสอนผิดผมก็ไม่รู้แต่ชาร์ล็อตครับผมมั่นใจว่าไม่มีสิ่งไหนที่ว่าผมรู้ว่าผิดแล้วผมตั้งใจสอนไม่มีถ้ามาอาจจะเป็นผิดพลาดเลยึ่งก็หวังว่าเราจะยกโทษซึ่งถ้าเราไปพบว่าผมสอนอะไรผิดก็ไม่ต้องเชื่อไม่ต้องตาม แล้วก็อย่าได้ละทิ้งการป็นบากที่ดีของลอจะได้ยิดที่ตัวผมหรือตัวอาจารย์ท่านใดก็ตามแล้วก็หวังว่าเราจะไม่ตาพวกเราทุกคนครับอันนี้ครับผมยังตอนนี้หลานเลยคุณผู้ชมอาจารย์เมยเสริมไหมครับหรือว่าอาจารย์ิไม่้เรียนอ๋รับเพื่อการมีน้ำใจาประโยชต์ อ, อครับอาจารย์พูดถึงเรื่ร อ, อ, รง อ, องของกางงงรเกิดมนฟิกด้วยเอาไปสนใจครับเพราะว่า <ใน S 1> เป็นชื่อสุลนะครับเป็นประเด็นหลักตกับว่ามันอยู่ตรงว่าลอฮุสม ถ้าเราเชื่อม่าเราเป็นที่พึ่งเราก็ต้องบริสุทใจต่อพวกเขาจักสุร้อนี่ผมคิดว่าในสิ่งที่เราควรจะต้องคำนึงที่สุดก็คือผู้ซึ่งเป็นที่พึ่งคืออัลลอฮ์เท่านั้นมาชาอฺละครับเท่านั้นผู้ที่เป็นที่พึ่งจริงๆเลยแท้ๆเลยมีผู้เดียวเท่านั้นคืออัลลอฮ์ที่เหลือเป็นเพียงแค่สื่อเป็นเพียงแค่เหตุที่จะไปหาผลอย่างเช่นไม่สบายยาเป็นเหตุที่ทําให้หายแต่ผู้ที่ให้หายก็คืออัลลอฮ์ให้คิดถึงอัลลอฮ์ก่อน อัลลอฮ์สมัตก็คือเราต้องพยายามเปลี่ยนความคิดนะครับถ้าเกิดบางท่านยังคิดผิดบางครั้งผมก็คิดผิดคือบางครั้งเราคิดถึงอัลลอฮ์ทีหลังเราคิดถึงอย่างอื่นก่อนเราคิดถึงพ่อแม่ก่อนคิดถึงยาคิดถึงโรงพยาบาลคิดถึงครับอ๋เป็นธนาคารคิดถึงอะไรก็ตามแต่คิดถึงมักคุรุก่อนครับซึ่งจริงๆแล้วมุสลิมเราต้องคิดถึงอัลลอฮ์ก่อน เพราะขนาดท่านอับดุลเลาะห์สลับใส่รองเท้าท่านก็ยังคิดถึงอัลลอฮ์ก่อนถ้าเราอยากรู้ว่าเราคิดถึงอัลลอฮ์ก่อนจริงไหมตรวจสอบง่ายถ้าเราพูดบิสมิลลาห์ก่อนทําทุกอย่าง<ม>แปลว่าอาลัลลอฮ์มาเป็นระดับหนึ่งแต่ถ้าเราลืมบิสมิลลาห์แปลว่าไม่ใช่ละสิ่งอื่นมาเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่ามุสลิมเราทําการงานใดก็ตามมาเริ่มด้วยกับบิสมิลลาห์ใช่ไหมครับพระท่านอบีบอกว่าการงานใดก็ตามไม่เริ่มด้วยกับบิสมิลลาห์การงานนั้นจะเป็นหมัน เป็นหมืนคือไม่มีบารากาไม่มีความจำเนินครับเป็นการเสริมที่ยอดเยี่ยมครับจะจารย์คุณครรอาจารย์ทั้งสองท่นานอาจารย์มีอะไรเสริมไหมเชิญครับเชิญครับครับเยี่ยมครับอธิมีแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันแมน่นครับผมซึ่งประเด็นของทตี้ยจาเมื่อาารั้งท่านบอกก็คือว่าเป็นเรื่องเดียวกันแต่ต้องมาหึ่อปัญหายไปต้องมืงอเลาะหายไปจากหัวเอา เพราะว่าในชีวิตของเรานะครับสุนเดือนเล้จะหายกิเข้าอิ่มกาออย่างกาปุ๊บก็เออเข้าวลำเนา อ, อย่างนี้นเลยคือเราเร า, เราเราพึ่งในส่วนของการเอ่อเขาเรียกเป็นอัสบาร์หรือว่าเป็นเหตุสิ่งที่จะมาช่วยนะแต่ว่าในสิ่งหลักๆที่จะช่วย<ล>จริงเนะี่ยผู้อนุมัติอั้โนมัติในมมาการช่วยก็คืออลัลลอฮ์ถ้าอาลัลลอฮ์อัตมัติปุ๊สิ่งอื่นๆจะตามมาโดยที่เราไม่ต้องไปวางแผนเราไม่ต้องไปคิดอิชอรจะส่งมา เยอะแยะง่งเหมือนคนบางคนเลื่ความอ้วนอย่างเงี้ยครับสูตรนี้มันได้ผลนะสูตรนี้มันดีจริงๆนะน้อยเหลือเกินที่ผมจะได้ยินใครบอกเนี่ยอัลลอฮฺทำให้ลดถูกไหมครับคือส่วนใหคือมันต้องเป็นสูตรมันต้องเป็นอาหารมันต้องเป็นอะไรก็ตามแต่ที่เขาทําก็คือครับขอบคุณมากครับเจษฎาเมื้อพันธุ์การเสริมที่เยี่ยมครับมีท่าในใดเสริมได้ต่อไหมครับไม่มีได้เสริมอร <c oughs> ้้้ว ง, งเดดนีีมมี่่บกาาาหไยครับ ก็ขอย้ำอีกทีว่าเราให้โดยโปรดเพราะว่าเือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์แล้วท่านก็กลัวอัลลอฮ์ครับทั้งๆที่ท่านรอดชัวร์แต่ท่านกลัวาลอาดิมรอนพ ร, ร <90. S 1> นะองคก็คือเป็นประเด็นที่แบบว่า อ, อท่านท่านรู้จักอัลลอฮ์มากกว่าเราเยอะะครับท่านรู้จักอัลลอฮ์ถึงขั้นว่าท่านมั่นใจว่าท่านรอดล้านเอร์เซ็น แต่ท่านยังกลัวเหรอคือคนไม่รู้ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดคนปกติถ้าเกิดเรามั่นใจว่าเราลอดจากใครสักคนเราคงไม่กลัวเขาแต่นี่คือมั่นใจว่ารอดแล้วก็กลัวที่สุดด้วยครับจสะสากําบกำลังครับเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยนานเวลาปิดประชุมคปิดประชุมนะครับผมครับเนี่ก็ครั้งพวกนี้เรามาเจอกันวิชาปรัติศาสตร์กับดุอาอาาาั卡尔กนะครับผม อินชาอัลลอฮ์ครับผมนสุบานัลลอฮมาไปทำดีแอชญาดุลใแล้วแต่สุขาพลมอฮ์ดุตัลลฮ์กบารกตูครับขอบคุณทุกท่านที่มารวมกันครับผม